Book 2 5ห้าสิห้า i n 50การทำงาน werk คุณทำอาชีพอะไรคะ What you สามีดิฉันเป็นแพทย์คะ่ะ ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงอีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญแต่ภาษีสูงมาก m อร์บลาสต์น์อีส์ o ุกและค่าประกันสุขภาพก็สูงอินดี้ริส์เฝอ e ซอร์เซอร์เริงอีส์ดีร์หนูอยากเป็นอะไรในอนาคตวัตว์ว g ลยายกรา d วั n ร์ตยินดัชหนูอยากเป็นวิศวกรอัคว์วิล n ร e ชอิน r จ หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลายัย a g l Universiteit Tuchon ดิฉันเป็นพนัก ง, งานฝึกหัด Ag is an intern ดิฉันมีไรายได้ไม่มาก Ag verdienen i c t viel นี e ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ Ag tun m e i n internskop Die นี่คือหัวหน้าของดิฉันดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีเร e เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรองอาหารเสมอ gaan die ดิฉันกำลังมองหางาน ที่อฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้วที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากการ์ุนาไปที่